19. สมถะกับวิปัสนาต่างกันอย่างไรการปฏิบัติเพื่อเข้าไปจัดการเป็นสมถะการปฏิบัติเพื่อไปรู้ความจริงของกายของใจเป็นวิปัสนาสมถะมีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาเช่นเพ่งท้องจิตก็ไปอยู่ที่ท้องเพ่งเท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าไม่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราวิปัสนารู้ด้วยสติและปัญญา โดยมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เช่นรู้ว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นรูปพองขีดยุบไม่ใช่เราเวลาเดินจงกรมเห็นรูปเดินไม่ใช่เราเดิน